เดี๋ยวเรียนต่อไปนะครับหลังจากเท้าสหัม บ, บดีพรมได้มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เปิดประตูอมตะขอหมู่สัตว์ทั้งหลายจงได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีมนทินตรัสรู้แล้วให้พระองค์ขึ้นสู่ปราศาสตร์คือธรรมะเหมือนกับ บุรุษที่ขึ้นสู่ภูเขาที่เป็นหินแล้วก็มองลงมาเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายโดยรอบขอให้พระพุทธเจ้าขึ้นสู่ปราสาทที่สำเร็จด้วยธรรมพระองค์ผู้ที่หมดความเศร้าโศกแล้วก็จะมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่กับความเศร้าโศกถูกชาติแล้วก็ชราครอบงำอยู่ขอให้พระองค์ได้แสดงธรรมคนที่รู้ทั่วถึงธรรมจักมี พระพรก็อาราธนาอย่างนี้นะครับต่อไปพระพุทธเจ้าทราบคาอาราธนาของพระพรมก็จะอาศัยความกรุณาต่อหมูสัตว์แล้วก็มองหมูสัตว์แล้วก็รับรับที่จะแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปในหน้าที่สองนะครับยอ่อหน้าที่สองอ่านพร้อมกันนะอะทะโขภควาพรมุโนจะ อัจเชสนังวิทิตวาสัตเตสุจะการุญญาตังปติจักพุทธจักุณาโลกังโวโลเกสิอัดดัสสาโขภความุทธจักุณาโลกังโวโลเกโตสัตเตอปะระชักเเ มหาราชเขติขินดริเยมุดินดริเยสวากาเรตวากาเรสุวิญญาปเยดุวิญญาปเยอเปกดเจปรโลกะวัชพยาดสาวิโนวิหรันเตอเปกดเจ นปะโลกวัชพยาดสาวิโนวิหารเตอัะโขภควาปร ม, มุโนจะอัจเชสนังวิทิตวาลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบการอาราธนาของพระพมสเตสุจาการุญตังปฏิจจะ และพระองค์ก็อาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์แสดงธรรมก็อาศัยสองเหตุปัจจัยอันที่หนึ่งคือการอาราธนาของพระพรหมพระพรหมองค์นี้มีคุณมากนะมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระองค์ทรงทราบการอาราธนาของพระพรหมแล้วก็อาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ทั้งหลาย อาศัยสองอย่างนะครับอาศัยการอาราธนาของพระพรหมแล้วก็อาศัยความกรุณาของหมูสัตว์อาศัยความกรุณาในหมูสัตว์พุทธจักคุณาโลกังโวโลเกศิพระองค์ก็ได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุอันตสาโคภคะวาพุทธจักคุณาโลกังโวโลเกโตเมื่อพระองค์ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคก็เมื่อตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุก็ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายที่แตกต่างกันไปมีหลากหลายจำพวกนะครับคือสัตเตก็คือสัตว์ทั้งหลายได้เห็นสัตว์ทั้งหลายมีความแตกต่างกันไปอัปปะราชเขหมูสัตว์ประเภทที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีทุลีในดวงตาน้อยก็คือเป็นพวกที่ ไม่ยึดมั่นในทิฏฐิไม่ยึดมั่นในความเห็นไม่นุดมั่นในว่าตัวเองเก่งแล้วไม่มีทิฏฐิมานะมากนักอันนี้เรียก ว, ว่าทุลีในดวงตาน้อยบางพวกเขามีทุลีในดวงตามากเนี่ยเขาคิดว่าเขาเก่งนะเขาคิดว่าเขาเก่งอยู่คนเดียวไม่ค่อยฟังใครยิ่งใครที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทุลีในดวงตาก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนจะไม่ตายไปเรื่อยๆคอย แสดงความเห็นให้คนโน้นคนนี้ว่าคนโน้นคนนี้วิจาร์คนโน้นคนนี้ไปเรื่อยนะวิจารณ์คนอื่นอยู่แรื่แต่ไม่วิจารณตัวเองนะ <c oughs> อย่างนีนะ้บางพวกเขามีทุลีในดวงตาน้อยนะอัประราชักเเบางพวกมีทุลีในดวงตามากมหาระชักเเคนะ่พวกทุลีในดวงตามากก็คือมองไม่เห็นกิเลสของตนเองมองไม่เห็นจิตใจของตนเองเรามองเห็นจิตใจของตนเองบ้างไหม นี่ดูดูว่ามีดวงตาหรือเปล่าดูตรงนี้เวลาเราไปพูดเนี่ยพูดด้วยจิตอะไรคิดยังไงรู้สึกยังไงจึงไปพูดเวลาไปทำทำด้วยจิตอะไรคิดยังไงจึงไปทำที่เราวนเวียนวิ่งไปวิ่งมาทำโน่นทำนี่เยอะแยะหลากหลายเนี่ยต้องการอะไรต้องการสำคัญต้องการคำชมต้องการพิสูจน์ตนเองหรือต้องการอะไรเห็นหรื อ, อยังเห็นหมถ้าเห็นก็เรียกว่ามีธุลีในดวงตาน้อย ถ้าไม่เห็นก็เรียกว่ามีทุลีในดวงตามากทุลีในดวงตามากมันเลยไม่เห็นจากตัวเองไม่เห็นตัวเองไม่รู้จากตัวเองว่าที่เราทำทาวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่เนี่ยตัวเองต้องการอะไรมากที่สุดก็ไม่รู้วนเวียนไปวนเวียนมาอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าดีเราก็ดีตามเขาเขาชมเราก็ทำทำดีไม่ดีไม่รู้ถูกไม่ถูกไม่รู้เขาด่าก็เศร้าทุกทีเอาคาด่าเขามาเป็นข้อวัดหรือว่าเป็นประมาณอย่างนี้แสดงว่า ทุลีในดวงตาของเรามันมากแต่ถ้าทุลีในดวงตาน้อยเราเริ่มมีดวงตาเราก็จะมองเห็นสาระประโยชน์ที่แท้จริงของการมีชีวิตคนอื่นดา่าคนอื่นชมนั้นไม่มีผลนะไม่มีผลอะไรหรอกคนอื่นเขาชอบเขาก็ชมเขาชังเขาก็ดา่ามันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีผลอะไรแต่พวกมีทุลีในดวงตามากเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นประเด็นเนี่ยนะเนื้สัตว์โลกทั้งหลายนะก็แตกต่างกันไปบางพวก มีทุลีในดวงตาน้อยอปะระชักเขบางพวกมีทุลีในดวงตามากมาหาระชักเขทุลีในดวงตามันทำไมมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวเองที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยทำไปทำไมทำด้วยจิตชนิดไหนรู้สึกยังไงทำอะไรเนี่ยบางคนทำแบบเบลอๆไปนะเหมือนคนละเมอทำไปกันนะละเมอกินข้าวละเมอพูดละเมอทำไปกันนะนะทการงานก็ละเมอไปเรื่อย หลับตาทำไปเรืนะ่อยบางคนนะไม่ใช่แค่มัวๆนะหลับตาไปเลยมืดตึ๊บเลยจะเอาอะไรแน่วัตถุประสงค์เป็นยังไงอะไรไม่รู้เรื่องนะเขาว่าอย่างเงี้ยนะก็สังคมเขาว่าอย่างนี้ก็ว่าตามเขาไปอะไรก็ไม่รู้นะ น, นี้เราก็ลองมาสังเกตตัวเองนะสังเกตนะครับอับปปะรชักเขมีทุลีในดวงตาน้อยมหารชักเขมีทุลีในดวงตามาก นะครับพวกที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็สอนให้รู้ได้ไวพวกทุลีในดวงตามากก็ต้องแขกันนานต้องพูดกันนานต้องบอกกันนานกว่าจะเข้าใจเข้าใจแล้วก็ไปฝึกฝนฝึกฝนกว่าจะยอมรับความจรงิงกว่าจะเข้าใจก็นานอันนี้เราก็ลองสังเกตดูนะครับฉะนั้นอันไหนที่เป็นทุลีก็อย่ารับมาเยอะนะพวกแนวคิดพวกทัศนคติอุดมคติอะไรทั้งหลายแหละที่เขาให้เรามา เราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้อะไรต่างๆเพราะาแท้ที่จริงมันเอาไม่ได้สักอันมันเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงทฤษฎีต่างๆในห้องสมุดน่ะเอาไปได้สักอันหรือเปล่าเต็ม อ, อยู่นะ <c oughs> แต่เวลาเราเรียนนะเราก็จะมาเรียนโอ้สมัยโน้นเขาว่ากันอย่างนี้มีทฤษฎีนี้เสร็จเรียบร้อยก็กทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้เต็มห้องสมุดแล้วแต่ไม่ได้ใช้สักอันนะ่ะเราเรียนไปแล้วก็เอาไว้สอบเฉยแต่ไม่มีประโยชน์กับเราเลยอย่าไปรับมาเยอะอันนั้น มันบังดวงตาเราเองทำให้จิตใจเราไม่บริสุทธิ์ทำให้จิตใจเราไม่อ่อนไหวเห็นคนอื่นทุกข์ก็จะไม่รู้สึกว่าทุกข์ไปวิจารณ์เขาไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกอยากช่วยเหลือไม่รู้สึกกรุณาไม่รู้สึกเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอันนั้นแสดงว่าตาของเรานี้มืดบอดแล้วมืดบอดมากนะโดยส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตแบบมืดบอดคือไม่เห็น ทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งๆ ท, ท, ที่ความจริงมันใช่นะียแสดงว่าบอดมากนะมีแต่เรามีแต่เขานะมีแต่หาผลประโยชน์โอ้เราจะได้ประโยชน์จากคนนี้ก็พูดดีหน่อยไม่ได้ประโยชน์จากคนนี้ก็ปล่อยมันไปไม่เกี่ยวกับเรา <c ười> คำว่าเกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราก็เลยเรื่องประโยชน์เป็นหลักผลประโยชน์เนะี่ยเอาผลประโยชน์เป็นสลาณะ แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เอาธรรมะเป็นสรรนานะเอาความจริงเป็นสรรนาแต่เรารู้สึกจะ ก, กลายเป็นผลประโยชน์แล้วตอนเนี้ยเ <c oughs> นี่ยต้องดูดีๆต้องสังเกตนะครับนะบางพวกมีทุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีทุลีในดวงตามากในะเราต้องสังเกตตัวเองนะติขินดริเยมุดินดริเยบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มี อินทรีย์ทั้งห้าะนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะบางพวกเขามีความมั่นใจในผู้นํามั่นใจในศาสดามั่นใจในพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราก็เออเรายังไม่เห็นจริงแต่รู้สึกเชื่อท่านรู้สึกว่าเออท่านพูดที่ไรจริงทุกทีนีรู้สึกแต่บางคนเ อ, อ๊ะพระพุทธเจ้าทําไมมาพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยมันสัตทินรีมันยังอ่อนอยู่มากตัวเองไม่รู้แล้วยัง ไม่เชื่อผู้ที่ท่านผ่านมาก่อนหรือว่าไม่เชื่อผู้รู้ท่านอีกนะแต่ท่านไม่ได้บังคับให้เราเชื่อหรอกให้เราได้ค่อยๆหาค่อยๆพิสูจน์ค่อยๆได้เห็นด้วยตัวเองแล้วก็จะเชื่อเพิ่มขึ้นถึงยังไม่เห็นนะถ้าเราได้ฝึกฝนหรือว่าได้พิจารณาได้มองดูได้สังเกตศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นศรัทธาก็คือความมั่นใจมั่นใจในหนทางมั่นใจในผู้นำมั่นใจในาศาสดา มั่นใจในพุทธะวันท่านเป็นผู้รู้จริงๆได้พ้นทุกจริงๆเนี่ยเขาเรียกวความมั่นใจซึ่งเราจะมั่นใจได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าใจเหตุผลพอสมควรได้ประพฤติปฏิบัติหรือว่าได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรได้มามองดูพอสมควรจึงเกิดศรัทธาที่เรียกว่าสัทธินรียแต่ศรัทธาบ้านเราทุกวันนี้กลายเป็นงมงายไปแล้วกลายเป็นโมหะไปแล้วโมหะงมงายอนนี้เชื่อคนอื่น แบบไม่ลืมหูลืมตาอันนี้ไม่เรียกศรัทธานะอันนี้ศรัทธาแท้จริงเป็นความเชื่อมั่นแท้จริงเนี่ยมันจะเป็นความผ่องใสของจิตจิตมันจะเกิดความเบิกบานผ่องใสขึ้นมาถึงเราจะไม่เห็นจริงก็าตามแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นแหละการพ้นทุกข์ที่แท้จริงมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่พ้นแหะตอนนี้ยังไม่เห็นจริงการมีปัญญามันเห็นอย่างนี้เพราะโลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราได้พิจารณามาแล้วแต่ตอนนี้มันไม่เห็นแหะอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธา ความมั่นใจนะครับมั่นใจในคำสอนมั่นใจในพระพุทธมั่นใจในพระธรรมมั่นใจในพระสงฆ์ถ้าพวกไม่มั่นใจพวกไม่มีศรัทธานะก็จะลอกลอกแลกๆเช่นว่ า, ามากราบพระพุทธเจ้าพอมีคนพูดอา้าวคุณทำแบบโน้นแบบนี้ตามดวงดาวบ้างตามหมอดูบ้างก็หวั่นไหวไปตามเขานะอย่างนี้ทั้งทั้งที่อันนั้นมันห่างไกลความจเจริญมากแล้วไปพึ่งหมอดูไปพึ่ง สิ่งภายนอกนั่นนหะจริงๆที่ท่านให้มาถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะเพื่อก็เพื่อถอนถอนที่พึ่งภ า, ายนอกออกไปให้หมดซะก่อนให้มาพึ่งพระรัตนตรัยเพราะว่าท่านเลิศที่สุดแล้วถึงยังไม่รู้อะไรก็มาพึ่งเอาไว้ก่อนมาศึกษาคําสอนของท่านไม่ต้องฟังของคนอื่นค น, คนอื่นก็ฟังเอาไว้ก็ได้แต่อย่าเอามาใส่ใจให้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเอาการปฏิบัติของพระสงฆ์นี้มาใส่ใจ ว่าทำไมท่านจึงทำอย่างนี้คำสอนของท่านเป็นอย่างนี้เป็นยังไงมาใส่ใจนะพอใส่ใจเข้าใจเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอันนี้เขาเลยเรียกว่าการถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะครับตอนแรกก็ถึงเพื่อที่จะถอดถอนตัวเองออกจากที่พึ่งอันอื่นที่เราเคยมีพอมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะเราก็ใส่ใจคาสอนของท่านว่าท่านแนะนำยังไงพอใส่ใจเข้าใจ เราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อแท้ที่จริงท่านสอนให้เราพึ่งตนเองเนี่ยก็ค่อยๆกลับเข้ามาที่ตัวเองแล้วสอนจะพึ่งตัวเองได้ทำยังไงมันต้องฝึกฝนเอาเองด้วยเราก็เริ่มเชื่อมากขึ้นอย่างนี้นะต่อไปคำพูดของคนอื่นหมอดูดวงดาวก็ไม่มีผลแล้วนะเราทั้งหลายปล่อยให้สิ่งต่างๆมีอิทธิพลต่อตัวเรามากจนเกินเหตุนะแม้แต่หมาเหา่ายังมีอิทธิพลเลยไม่ต้องรอหมอดูนะ แค่าหาเห่าก็ยังโกรธหมาเลยคิดดูก็แล้วกันหมาอยู่เงียบๆก็ยังโอ้หมาเธอทําดีแล้วเนี่ยขนาดหมาเห่ายังมีอิทธิพลเลยไม่ต้องพูดถึงคําของหมอดูล่เนี่ยเรามันปล่อยให้โลกให้สิ่งต่างๆมีอิทธิพลกับเราจนมหาศาลจนกระทั่งให้ดวงดาวที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวให้มันมามีอิทธิพลคุณเกิดดวงดาวไหนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยปล่อยให้สิ่งต่างๆมามีอิทธิพลพระพุทธเจ้าท่านสอน เอาพวกนั้นออกให้หมดนะเอาพวกนั้นออกให้หมดมาถึงพระรัตนตรายเป็นสารณะมาฟังท่านอันหนึ่งๆไม่ต้องเอามาใส่ใจเขาพูดก็ปล่อยเขาพูดไปปล่อยลอยลมไปนะมาใส่ใจพระรัตนตรยใส่ใจคำสอนของท่านใส่ใจพุท ธ, ธว่าท่านตรัสรู้ตรัสรู้อะไรใส่ใจธรรมะว่าท่านสอนอะไรใส่ใจสังฆะว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องมันเป็นยังไง การฝึกฝนที่ถูกต้องเป็นยังไงนะเมื่อเข้าใจก็จะได้รู้ว่าแท้ที่จริงท่านสอนให้เราพึ่งตนเองให้ทาเอาเองด้วยจะพึ่งตนเองได้ต้องฝึกเอาเองด้วยฝึกให้รู้ว่าในโลกนั้นไม่มีไม่มีที่พึ่งอันแท้จริงเลยนะฉะนั้นเราจึงเป็นที่พึ่งของตนเองนะแต่เป็นที่พึ่งได้ต้องมาฝึกฝนเอา บางคนเขก็มีอินทรีย์แก่กล้าคือเขาไม่เชื่อทั้งโลกแล้วทั้งโลกไม่ค่อยมีอิทธิพลกับเขาแล้วะคําพูดโน่นคนนี้ไม่มีอิทธิพลเขารอแต่ความจริงเป็นหลักว่าเมื่อไหร่ความจริงปรากฏขึ้นเขาจะตามความจริงเขารออยู่เท่านั้นเองรอพุทธะอยู่ไปฟังคนนี้ประ ก, กาศคําสอนนี้ขึ้นมาโอ้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยเด็กๆไปฟังตรง น, นี้อ้ายังไม่ใช่เขาฟังไปเรื่อยแต่เขารออยู่พอเจอคําสอนพุทธะเขารู้เลยว่าโอ้เนี่ยแน่นอนอย่างนี้แน่นอน เนี่ยเขาเรียกสัตทินสีมั่นใจตอนนี้ยังไม่บรรลุแต่ว่ามั่นใจออินทรีย์ข้ออื่นวิริยินทรีย์ความภาคเพียรในการฝึกฝนตนเองให้ตนเองเป็นที่พึ่งได้สตินรียความมีสติมาคอยรักษาจิตใจสมาทินรียความตั้งมั่นของจิตไม่หลงยินดียินร้ายไปกับโลกปัญญินรียปัญญาเข้าใจความจริงของโลกบางคนก็ ติขินริเย์สัตว์บางพวกนะเป็นติขินริเย์คืออินทรีย์แก่กล้าพวกเหล่านี้ก็ฟังธรรมก็จะบรรลุได้เร็วเจอธรรมะก็เข้าใจได้ไวเข้าใจได้เร็วเพราะว่าอินทรีย์เขาแก่กล้าส่วนบางพวกก็อินทรีย์อ่อนมุดินดริเย์อินทรีย์อ่อนสัตตินทรีย์ก็อ่อนบางทีก็เชื่อเหมือนกันแหละธรรมะเนะี่ยแต่เอ๊ชื่อเสียงก็สําคัญอยู่นะนะอย่างนี้ก็ว่าไว้นะ ออันนั้นก็สําคัญอยู่นะครอบครัวก็สําคัญอยู่นะเขายังมีอันอื่นสำคัญกว่าการฝึกฝนตนเองแต่ที่จริงคําว่าให้ความสําคัญไม่ให้ความสําคัญไม่ใช่ไม่มีเงินมีแต่ว่าเราไม่ให้ความสําคัญมันเกินกว่าวัตถุประสงค์เรามีเงินเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราก็ใช้มันเท่านั้นไม่เกินนั้นมีครอบครัวมีเพื่ออะไรวัตถุประสงค์มีเท่านั้นก็ไม่เกินนั้นนะอาจจะเกินไปบ้างเพราะหลงอะไรก็ว่ากันไป แต่เรามีศรัทธามีความมั่นใจว่าแท้ที่จริงที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตนเองฝึกฝนให้เข้าใจความจริงของโลกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเอาไปด้วยไม่ได้แต่พวกที่มีอินทรีย์อ่อนเนี่ยเขาก็จะหวั่นไหวไปอยู่เลยหวั่นไหวไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเกาะเรื่องโน้นเรื่องนี้บางทีก็คิดว่าโอ้ฟังเยอะๆอาจจะบรรลุก็ได้อะไรก็ว่าไปนะแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่กับความหวังเรานะ Yeah. ไม่ได้อยู่กับความหวังอยู่กับตัวเราเองนั่นแหละ yeah. อยู่กับการมีสติมีปัญญาของเราเองนี่นะครับบางพวกก็มีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกก็มีอินทรีย์อ่อนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกันสวากาเรบางพวกอาการดีทวากาเรบางพวกอาการไม่ดีอาการคือการแสดงออกมาแล้วอาการดีคิดดี ทำดีพูดดีบางพวกอาการไม่ค่อยดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแล้วแต่อาการบางคนส่วนใหญ่แล้วปนๆกันของเราจะออกทํานองทุลีในดวงตามากอินทรีย์อ่อนอาการไม่ดี <c oughs> ส่วนใหญ่จะออกมาอย่างนี้แต่ไม่แน่บางคนเขาอาจจะกลับข้างอย่างที่ผมพูดก็ได้นั่นแล้วแต่อันนี้เราดูตัวเองเป็นหลักอันนี้พูดถึงแบบทั่วๆไปไว้ก่อนนะครับ แต่พระองค์พิจารณาแล้วสันโลกทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้แหละนะครับอาการดีบ้างอาการไม่ดีบ้างนะอาการน่าเป็นห่วงบางบา ง, บางคนนะอาการน่าเป็นห่วงก็คือทําไม่ดีซะเยอะเลยน่าเป็นห่วงเลยตอนตายไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันอย่างนี้น่าเป็นห่วงฉะนั้นต้องเป็นห่วงตัวเองเยอะๆนะรักตัวเองเยอะๆนะครับสุวิญญาปะเยสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีทุวิญญาปะเยสอนให้รู้ได้ยากก็มี บางคนเขาสอนง่ายบางคนสอนยากนะครับบางคนสอนทีเดียวก็โอ้เข้าใจแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติบางคนก็สอนแล้วก็สอนอีกสอนแล้วก็สอนอีกแต่ไม่ยอมไปประพฤติปฏิบัติสอนยังไม่เข้าใจสักทีบางคนก็สอนง่ายบางคนก็สอนยากแล้วแต่นะครับอะเปกัะเจปะโลกะวัชชะพญนัติโนวิหารันเตบางพวก ก็มีปกติเห็นภัยในโทษของปรละโลกอยู่บางพวกยเห็นว่าประโลกคือโลกหน้าการดำเนินชีวิตไปในเบื้องหน้าตามกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นอันตรายมันเป็นภัยก็มีอยู่การไปเป็นเทวดาก็เป็นภัยนะไปพรมโลกก็เป็นภัยเบื้องหน้ามันเป็นภัยหมดเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็น่ากลัวนะ บนะางพวกเห็นว่าการเกิดวนเวียนไปในภพภูมิต่างๆนี่มันน่ากลัวก็มีอยู่เรารู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกน่ากลัวไหมออการเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆน่ากลัวไหมบางคนรู้สึกว่าเกิดเป็นเทวดาไม่น่ากลัวน่ารักด้วยซ้าไป <c oughs> นะนะนะบางพวกวก็เป็นพวกนี้บางพวกก็เป็นอีกพวกหนึ่งอะเปกัตเจนะปารโลกวัชปะปยะนัสสาวิโนวิหารันเตบางพวกก็ ไม่ใช่เป็นพวกที่มีปกติเห็นภัยในโทษของปรโลกอยู่เนะี่ยบางพวกก็มาเห็นภัยในปัโลกชอบอยากเกิดอีกอยากเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นพรหมอยากมาเจอกันอีกนะีสมมุติเขามีสามีดีๆเขาบอกโอ้ขอให้ได้เจอคุณอีกอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็เข่าท่านะ <c oughs> นะนะนะชาตินี้ได้คู่ไม่เดียวเอาอีกชาติก็แล้วกันเผื่อจะเจอคู่แท้กับเขาบ้างแหนะ่เขาก็คิดไปเรื่อย เขายังไม่เห็นภายในโทษของการเกิดวนเวียนแตบ <ham string> <ส>่บางพวกเขาเห็นนะถึงจะอยู่ด้วยกันกับสามีดีๆลูกดีๆเขาก็ mm hmm. เริ่มเห็นแนละ้วว่าโอ้มันก็ถึงจะดียังไงมันก็มีทุกข์อยู่ในนั้นแหละถึงจะดียังไงมันก็มีทุกข์อยู่เพียงแต่ว่าทุกข์มันน้อยห น, อยน่อยทีนี้เขาก็มองแจ่มแจ้งลงไปอีกว่าถ้าเจอไม่ดีขึ้นมาละ่ะมันอันตรายกว่านี้หรือเปล่าทุกข์กว่านี้หรือเปล่าไม่ต้องรอเจอไม่ดีน่ะเราก็ถอดถอนหรือว่าทําความเข้าใจแล้วก็ ละมันไปสักก่อนเลยมันจะได้ไม่มาอีกแล้วเนี่ยบางพวกเขาก็เห็นภยัยเพราะว่าโลกนี้มันมีโทษทุกเยอะบางพวกก็ไม่เห็นเนี่ยน ะ, ะสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้นะเราทั้งหลายก็อยู่ในกลุ่มๆเหล่านี้แหละดูว่าอยู่ในอันไหนบ้างนะครับนี้พระผู้มีพระภาคมองดูสัตว์โลกด้วยพระพุทธจักขุก็ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวก มีทุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีทุลีในดวงตามากบางพวกอินทรีแก่กล้าบางพวกอินทรีอ่อนบางพวกอาการดีบางพวกอาการเลวบางพวกสอนให้รู้ได้ง่ายบางพวกสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมีปกติเห็นภายในโทษของปัละโลกคือโลกเบื้องหน้าอยู่บางพวกก็ไม่มีปกติเห็นภัยในโทษของปัละโลกนะก็แต่ แตกต่างกันไปสัตว์โลกเหล่านี้พระองค์ก็อุปมาอุปมาเหมือนกับดอกบัวดอกบัวสามเหล่าแต่เราทั้งหลายบางคนก็ไปจัดตัวเองเป็นเหล่าที่สี่แต่เวลาพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเพื่อจะแสดงธรรมท่านพิจารณาแค่สามเหล่าเพราะว่าท่านไม่แสดงสาหรับเหล่าที่สี่ธรรมะมันไม่ใช่สําหรับทุกคนมันสําหรับคนที่พร้อมเท่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะฝึกฝนตนเองไม่ใช่พวกดูถูกตนเองว่า เอ้ยผมบารมียังไม่ถึงยังไงก็ไม่บรรลุหรอกพวกนี้ก็ไปไกลๆก่อนเพราะว่ามันเสียเวลานะคนไปเที่ยววนเวียนมากับโลกให้ทุกพอซะก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังก็ได้นะพระองค์ก็พิจารณาบัวสามเหล่าแล้วก็แสดงธรรมอุปมาว่าเสยธาปินามะเป็นต้นนี้นะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันนะครับในย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่สอง เสยถาปินามะอุปลินิยังวาปะดุมินิยังวาปุนดริกินิยังวาอเปกัจจานิอุปลานิวาปะดุมานิวาปุนดริกานิวาาอุดเกชาตานิอุดเกสังวัตานิอุดกานุขตานิ อันโตนิมุขะโปสีนิอเปกัจจานิอุปลานิวาปดุมาณิวาบุตรีกานิวาอุกะชาตานิอุเกสังวัตานิสะโมดังติตานิอเปกัจจานิอุปลานิวา ปะดุมานิวาปุนดริกานิวาอุดเกชาตานิอุดเกสังวัตานิอุดกังอุจุคัมมะติดถันติอนุปลิตานิอุดเกนะนะพระองค์มองดูสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็มีอุปมาขึ้นมาเหมือนกับบัวสามเหล่า เสยถ า, าปินามะอุ ป, ปลิยังวาปะดุมิยังวาปุนตรีกิยัาวาอุปมาดุตว่าในกออุบลในกอปทุมหรือว่าในกอปุนตริกก็คือดอกบัวดอกบัวมีหลายชนิดหลายพันเป็นดอกอุบลก็มีดอกปทุมก็มีดอกบุนตริกก็มีเราก็ไปหาเอาก็แล้วกันนะมีหลายพันนะดอกบัว อุปมาเหมือนในกอดอกบัวอเปกัจจานิอุปรานิวาปัดุมานิวาปุนตริกานิวาอุทะเกชานานิดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุนตริกก็ดีบางดอกบางกลุ่มก็เกิดในน้ำอุทเกสังวัตตานิเจริญอยู่ในน้ำอุทกานุขตานิแต่ว่ายังไม่พ้นไปจากน้ำ คือยังอยู่ภายใต้น้ำอันโตนิมุขะโปสีนี้จมอยู่ในน้ำอันน้ำเลี้ยงอยู่นี่อันที่หนึ่งนะเนี่ยดอกบัวกลุ่มที่หนึ่งก็คือดอกบัวชนิดที่เกิดในน้ำเจริญอยู่ในน้ำยังเจริญอยู่นะแต่ยังอยู่ในน้ำยังไม่พ้นมาจากน้ำจมอยู่ในน้ำถูกน้ำนั้นเลี้ยงอยู่รอวันเวลาตามสมควรของมันนี่กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่สองอเปกัจจานิอุปลานิวาปัดุมานิวาปุนตริกานิวาอุทเกชาตานิอุทเกสังวตานิสมอดกังทิตานิกลุ่มที่2ก็คือดอกอุบลดอกปทุมหรือว่าดอกปุนตริกบางกลุ่มก็เกิดในน้ําเจริญในน้ําแล้วก็ตั้งอยู่เสมอน้ำํำพวกที่หนึ่งก็คือ อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำอันน้ำเลี้ยงอยู่พวกที่สองก็คือเกิดในน้ำเจริญในน้านั่นแหละแล้วก็เสมอกับน้าแหละสโมโนทกังทิตานี้นี่กลุ่มที่สองอกลุ่มที่หนึ่งอยู่ใต้น้ำกลุ่มที่สองเสมอกับน้ำต่อไปดอกบัวกลุ่มที่สามอาเปกจานิอุปลานิวาปะดุมานิวาปุนตริกานิวา อุตเกชาตานิอุตะกะสังวัตตานิดอกบัวกลุ่มที่สามดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญทริกก็ดีบางกลุ่มก็เกิดในน้ําเจริญในน้ําเหมือนกันอุตะกังอัดจุกคำมะติดถันติได้โผล่พ้นน้าขึ้นมาแล้วอนุปลิตตานิอุตเกณนะไม่ไม่มีน้ําหรือว่า ไม่ถูกน้ํานั่นแหะครอบคลุมเอาไว้หรือว่ามันเหนือน้ําขึ้นมาแล้วนะไม่แตะอยู่กับน้ำนะมันเหมือนเราเห็นดอกบัวนะดอกบัวบางพวกอยู่ใต้น้ําบางพวกเสมอน้ําพอดีบางพว ก, พวกโผล่ขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่บานโผล่ขึ้นมาแล้วน้ําไม่ติดอยูนะ่ดอกมันขึ้นมาแล้วนะรอวันบานนะรอวันเป็นดอกบัวเอาไปใช้งานได้นะตอนนี้ยังเป็น ดอกดอกที่ยังตูมอยู่ว่างั้นเลยนะยังไม่นี่พระองค์ก็พิจารณาหมู่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็เปรียบเทียบไปดอกบัวสามเหล่านะดอกบัวสามเหล่าโดยความจริงเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราชอบพูดถึงดอกบัวสีเวส่เหล่าใช่บัวสี่เหล่าบางพวกก็ดอกบัวสี่เหล่าคือเหล่าที่สี่มีเหล่าที่สี่ด้วย <c ười> คือดอกบัวที่ ไปไหนไม่หลอดแล้วถูกปลาและเต่ากินเรียบก็ว่าอย่างงี้นะแล้วเข า, าชอบจัดเป็นตัวเองเป็นบัวเหล่านั้นพวกนั้นก็เชิญจมอยู่ในโลกต่อไปพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่บัวสามเหล่าเพราะว่าพระองค์พิจารณาแล้วนะว่าสัตว์ทั้งหลายบางพวกสอนให้รู้ง่ายก็มีสอนให้รู้ยากก็มีแต่สอนแล้วไม่รู้เลยก็มีพวกนี้ก็ล้องปล่อยเข้าไปนะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจธรรมะก็มีเป็นส่วนน้อย บางคนเข้าใจง่ายบางคนเข้าใจยากคนที่จะมาฝึกฝนตนเองก็มีส่วนน้อยบางพวกอินทรียแก่บางพวกอินทรียอ่อนอินทรียแก่ก็ไม่ต้องฝึกเยอะนักนะก็สามารถรู้ความจริงได้เพราะว่าเคยฝึกมาก่อนบางพวกก็อินทรีย์อ่อนก็ต้องฝึกเยอะๆหน่อยแต่แสดงธรรมสาหรับกลุ่มเหล่านี้นะส่วนคนที่ยังไม่ถึงเหล่านี้เขาก็ต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆฉะนั้นธรรมะนี้ไม่ได้ช่วยได้หมดทุกคนนะ ช่วยได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับจนกว่าเราจะเห็นความจริงอันนี้นะจึงจะชื่อว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยได้ทุกคนนะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราเรียนธรรมะแล้วโอ้ธรรมะดีจริงๆนะถ้าโลกเอาธรรมะไปใช้โลกจะเจริญเขาว่าอย่างนี้นะขนาดพระพุทธเจ้ายัางช่วยใครไม่ได้นะถ้าเขาไม่เอาจริงๆม่อันนั้นจริงๆพระองค์ก็ปล่อยไปไม่ได้มีอะไรนะครับนะ พระก็อุปมาสัตว์โลกทั้งหลายนะเหมือนบัว3ามเหล่าเหล่าที่หนึ่งก็คือดอกบัวที่จมอยู่ในน้ําอันน้ําเลี้ยงอยู่ไม่ตายนะเพียงแต่ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งดอกบัวกลุ่มที่2ก็คืออยู่เสมอกับน้ําดอกบัวกลุ่มที่ ส, เสมเหนือน้ําขึ้นมาแล้วรอเวลาบานนะครับเนี่ยนะฉะนั้นเราทั้งหลายฟังธรรมะแล้วก็อย่าไปจัดตัวเองเป็นเหล่าที่4ี่นะ เราทั้งหลายชอบจัดเนาะจะต้องไม่ต้องจะได้ไม่ต้องทําอะไรสบายดีจะได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆวนเวียนต่อไปเรื่อยๆก็ๆว่าอย่างนี้นะสนุกดีเหมือนกันแบบนั้นก็ก็ฟังไปก่อนก็ได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปจัดตัวเองอย่างนั้นการจัดตัวเองว่าเป็นเหล่าที่สี่หรือว่าเป็นพวกปทัทถาประมะนี้เป็นการดูถูกความสามารถตัวเองอย่างมหาศาลที่สุดนะครับแม้แต่ด้านร่างกายเราอยากมีร่างกายแข็งแรงอยากช่วยตัวเองได้เราก็ยังฝึกได้ แต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดด้านร่างกายนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ด้านจิตใจนั้นมันไม่มีข้อจํากัดนะครับถ้าได้ฝึกแล้วทุกคนก็สามารถเป็นพุทธะได้เป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงได้เพียงแต่ว่าจะมีจิตสํานึกในการฝึกฝนตนเองหรือเปล่าแต่บางคนนั้นเขาดูถูกตัวเองไปตั้งแต่ต้นแล้วมันก็ไม่ต้องพูดกันแล้วความหมายคื อ, อย่างนั้นนะฉะนั้นเราต้องอย่าดูถูกตัวเองนะ ต้องรู้ว่าได้ฟังธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้สําหรับบวชสามเหล่าถึงเราจะอยู่ใต้น้ําแต่เราก็ยังไม่ตายน้ํำยังเลี้ยงเราอยู่แลนะก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆอ ย, ยังไม่เข้าใจก็ฟังไปเรื่อยๆของเรานี่แหละนะคนอื่นเข้าใจเร็วก็อนนุโมทนาด้วยไม่เป็นไรบรรลุเร็วก็ดีแล้วนะแต่เราก็ยังอยู่ใต้น้ําก็อยู่ไปอย่าเพิ่งตายไปสักก่อนนะก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆเท่าที่ตัวเองทําได้ นะครับสักวันหนึ่งเราก็มาอยู่เสมอน้ำแล้วก็เหนือน้ำขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับนี่พระองค์ก็พิจารณาสัตว์ทั้งหลายเปรียบไปกับดอกบัวสามเหล่าต่อมาในหน้าที่สามก็เหมือนกับเรื่องสัตว์เมื่อกี้นั่นแหละนะครับเปรียบเทียบกันเรียบร้อยแล้วเอวะเมวะพักวาพุทธจักุนาโลกังโวโลเกโตอัตสะสะสเต ฉันนั้นเหมือนกันแหละพระผู้มีพระภาคเมื่อตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุก็ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายอัประราชเคผู้มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีมหาราชเขมีทุลีในดวงตามากก็มีติขินดริเยผู้มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีมุนินดริเยผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มีสวาการผู้มีอาการดีก็มี ตวากาเรผู้มีอาการไม่ดีก็มีสุวิญญาปเยผู้สอนให้รู้ได้ง่ายก็มีทุวิญญาปเยสอนให้ยุ้ได้ยากก็มีอปเปกัตเจประโลกะวัชชะพยะดัดสาวิโนวิหันเตบางพวกก็มีปกติเห็นภัยในโทษของปละโลกอยู่ก็มีอปเปกัตเจณนะปะโลกะวัชชะพยะดัดสาวิโน วิหารันเตบางพวกไม่ใช่พวกผู้มีปกติเห็นภัยในโทษของปรโลกอยู่ก็มีนะครับอันนี้เปรียบเทียบกับเรื่องดอกบัวสามเหล่านะบางพวกก็ยังอีกนานแต่ว่าก็ยังรู้ได้เหมือนกันถึงจะนานก็ยังรู้ได้บางพวกก็เร็วนะแล้วแต่แล้วแต่อินทะรีย์ แล้วแต่ทุลีในดวงตาแล้วแต่การเห็นภยัยเห็นโทษในโลกนะอย่างนี้ซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะยอมรับว่าเราก็แตกต่างกันไปแต่ละคนนะแม้แต่ตัวเราเองนี่นะบางวันก็รู้สึกเห็นภัยในโทษของสิ่งต่างๆนะบางวันก็เที่ยวตะคุบโน่นตะกุบนี่ไปใหญ่โดยเฉพาะวันไหนได้ฟังธรรมะเข้ามาก็โอ้เข่าถาเหมือนจะบรรลุอยู่แล้วพอวันดีคืนดีระ้เบิดลงอีกแล้วนะไม่ได้เรื่องเลย นะหลงยึดมัน่นถือมั่นมันเดิมดีแตกไปแล้วก็มีฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าถึงยังไงถ้าจะจัดตัวเองเป็นดอกบัวก็อย่าไปจัดให้เป็นเลวไหลไปนะเป็นอาหารปลาและเต่าไปก็แล้วกันนะยังไงเราก็บรรลุได้หรือว่ารู้ธรรมะได้เพียงแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่วันนีนะ้ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ตอนนี้วันนี้นั่นแหละดีที่สุดนะแต่ว่าถ้ามัน ยังรู้ไม่ได้แล้วก็ฝึกฝนไปอย่าไปหมดหวังอะไรต่างๆนะหมดหวังนะต้องมีความหวังบ้างเหมือนกันนะเอาความหวังมาล่อหวังไปเออเราก็สามารถรู้ธรรมะได้นะพอฝึกฝนไปเรื่อยๆก็ให้ทิ้งความหวังนั้นไปอีกทีหนึ่งนะอาศัยความอยากแล้วก็ทิ้งความอยากไปอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะครับ ต่อมาครั้นพระองค์เห็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสคาถาตอบเท้าสหมดีพรมนะครับเป็นคาถาในหน้าที่สามมีคำ ว, ว่าอปารุตตาเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราอ่านคาถาพร้อมกันนะครับอปารุตตาเตสังอมตัสตะวาราเยโสตะวันโตปมุญจันตุสัตธัง วิหิง ส, สัส ญ, ญีปะคุณังนภาสิงธรรมมังปณีตังมนุเชสุพรา ม, มีนะพระองค์พิจารณาแล้วก็มองดูสัตว์โลกที่แตกต่างกันไปอุปมาเหมือนบัวสามเหล่าเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสคาถาตอบกับพระพรหมว่าอปารุตาเตสัง อมตะสระวาราประตูอมตะเราได้เปิดแล้วแก่ส hey, okay. ัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นประตูอมตะนี้พระองค์เปิดแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่าบัวสามเหล่านั้นประตูอมตะเหล่าที่พระองค์พิจารณาเมื่อกี้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีทุลีในดวงตามากก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีอินทรีย์แก่ก็มีสอนให้รู้ได้ยากก็มีสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีเห็นภายในโทษของปรโลกก็มี บางพวกยังไม่เห็นภัยก็ยังมีเลยเปรียบเหมือนบัวสามเหล่านั้นน่ะประตูอมตะเราเปิดแล้วสําหรับสัตว์เหล่านั้นพระองค์สอนธรรมะนี่นะเป็นการเปิดประตูอมตะให้สัตว์ทั้งหลายก็ยังวนเวียนอยู่ของเข้าอย่างเดิมนั่นแหละยังไม่รู้ว่าจะไม่ตายยังไงสักทีนะเพราะว่าเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องตายทีนี้พระองค์สอนธรรมะก็เป็นการเปิดประตูอมตะธรรมะทุกอย่างที่พระองค์สอนนี่นะเป็นประตูอมตะ เป็นทางเข้าสู่ประตูอมตะแม้แต่เรื่องศีลเรื่องจริยธรรมทั่วไปไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นคนดีให้เราไปเกิดวนเวียนอีกแต่เป็นเครื่องฝึกฝนเพื่อจะให้อริยมรรคเกิดขึ้นเป็นประตูอมตะนะให้ทานก็เพื่อถอดถอนความเห็นผิดถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นที่ยึดว่าสิ่งของเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะจริงๆมันไม่ใช่จะบอกว่ามันเป็นก็ได้แต่มันเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ให้มันเป็นจริงเป็นจังคงไม่ได้ถอดถอนความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นทุกอันที่สอนเนี่ยนะเป็นไปเพื่อประตูอมตะทั้งนั้นแหละนแต่บางทีเราเกิดความเข้าใจผิดในด้านธรรมะเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนใ ห, ให้ทานจะได้บุญได้บุญเขาว่าอย่างไงนะจริงๆมันบุญมันไม่มีการได้บุญมันจะได้ได้ยังไงบุญมันเกิดที่จิตดูที่ว่าจิตเป็นบุญไหม อเ น, นียนะมันไม่ใช่ได้บุญจะเอามาทำไมละ่ะได้บุญนะ่ะมันต้องเป็นบุญหรือเปล่าใจเราเป็นตอนเนี้ยแต่เดิมเราเข้าใจผิดเรามาฟังธรรมะได้เกิดความเข้าใจถูกขึ้นนะใจสว่างขึ้นละความเข้าใจผิดไปใจเข้าใจถูกขึ้นเป็นบุญรเป็นกุศ ล, ลจิตแต่เดิมเรามีความตรหนีมีความหวงแหนใครมาเอาของเราไปก็ไม่ได้โกรธมันทุกที ใครมาเดินถนนเราก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นถนนส่วนบุคคลต่อมาเราก็เปิดเปิดถนนให้ใครมาเดินก็ได้เนี่ยให้ให้มันเดินอย่างนี้นะเห็นไหมมันเป็นบุญไม่ใช่ได้บุญบุญจะเอามาทำาไมต้องเป็นบุญเป็นกุศลกุศลและจิตบุญแปลว่าเครื่องชำระจิตแต่เดิมจิตของเรามันดำมันไม่สะอาดเราก็ ชําระให้มันขาวให้มันสะอาดขึ้นแต่เดิมมันหนักก็ให้มันเบาขึ้นแต่เดิมมันทุกข์เยอะก็ให้มันทุกข์น้อยลงแต่เดิมมันสําคัญผิดก็ให้มันเห็นถูกเพิ่มขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าบุญชําระจิตเริ่มตั้งแต่ขั้นให้ทานรักษาศีลจนกระทั่งเจริญภาวนานะครับการให้ทานก็ชําระได้เล็กๆน้อยๆชาระความตระหนี่ชําระความหงษ์แหนที่เป็นหยาบๆแล้วก็ชําระได้เฉพาะบางเรื่อง เราห่วงแหนสิ่งนี้บางสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ที่เราต้องใช้แต่เราก็ยังห่วงแหนมันอยู่อันนี้เรียกว่าเกินจำเป็นไปมากทาั้งที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไปดูในบ้านเราก็ดีในที่ไหนๆก็ดีที่เรามีเกินจำเป็นไปเราไม่ได้ใช้แล้วเรายังยึดถือเอาไวน้นี่แสดงว่ามันเกินไปแล้วเราก็ไปดูอ้าวล้วก็ให้เขาไปอันนี้นะอันนี้เรียกว่าให้ทานต่อมาก็ละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วแต่นะให้ละเอียด ให้ของดีๆให้ของที่เราชอบหรือว่าให้เพื่อละความตหนีไปนะการให้มันก็ถอดถอนได้เป็นเรื่องๆมันผลานิสง์มันยังไม่มากถ้ารักษาศีลผลานิสง์ก็มากเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าละเว้นเจตนาจะทําร้ายเบียดเบียนคนอื่นละเว้นเจตนาจะเอาของคนอื่นมา ละเว้นเจตนาที่จะทําร้ายเบียดเบียนจิตใจของคนอื่นโดยการผิดลูกผิดเมียเขาผิดสามีเขาละเว้นเจตนาที่จะพูดโกหกทําให้เขาเสียประโยชน์ทําให้เขาไม่ได้รับรู้ความจริงอะไรพวกนี้นะจิตใจมันก็โดนชําระเพิ่มขึ้นนะมันก็เบาสบายเพิ่มขึ้นเมื่อมันเบาสบายเพิ่มขึ้นมันก็ทุกมันน้อยลงอะ่ะเห็นไหมแต่เดิมมันทุกเยอะเครียดเยอะวิ ต, ตกกังวลมากมันชําระได้มากขึ้นใจมันก็ สุขมากขึ้นสบายมากขึ้นเบามากขึ้นที่มันสุกมันสบายมันเบามันอ่อนมันควรแก่การงานมันคล่องแคล่วนีการคิดการให้การทํานั่นทํานี่มันสะดวกการเห็นความจริงก็สะดวกขึ้นเขาเรียกว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นกุศลนะฉะนั้นเวลาพิจารณาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าได้บุญนะไม่ใช่ได้บุญได้กุศลเราดูว่ามันเป็นบุญไหมเป็นกุศลไหมใจเราเนี่ย ไม่ใช่โอ้ยไปถวายเนี่ยได้บุญเยอะไหมหลวงพ่อมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่เกี่ยวกับได้หรือไม่ได้มันเกี่ยวกับเป็นบุญไหมมันได้ชําระความตระหนี่หวงแหนไหมได้ชําระความเข้าใจผิดไหมได้ชําระความดําๆในใจเราไหมได้ชําระความยึดมั่นถือมั่นอะไรออกไปบ้างถ้าได้ชําระเยอะมันก็ได้บุญมากเป็นบุญมากอย่างพวกภาวนาเนี่ยเขาจึงเรียกว่า เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าชำระความเข้าใจผิดความยึดมั่นในตัวเรามันก็เหมือนกับชำระล้างสิ่งต่างๆที่มันเป็นตะกอนไม่ดีออกไปนะมันก็คล้ายๆกับเป็นนวัตรกรรมอันใหม่ไปเลยตัวเราแต่เดิมเคยหลงเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นไม่หลงเข้าใจผิดการกระทำการพูดการคิดก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างนี้นะมันยิ่งใหญ่กว่าเรื่องทานเรื่องศีลอีกอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นคำสอนที่พระองค์สอนนะทุกๆเรื่องก็เป็นประตูอมตะประตูไม่ตายจะไม่ตายได้ก็ไม่เกิดนประตูสู่ความไม่เกิดไม่เกิดไม่ตายแต่ว่าตอนนี้พูดสำหรับบุคคลที่เกิดมาแล้วก็ต้องประตูอมตะประตูไม่ตายอย่างอย่างเราเกิดมาแล้วนี่ต้องตายแงๆอยู่แล้วนะใช่เออเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้มีคนมาเปิดประตูไม่ตายเลยโอ้อัศจรรย์มาก เห็นไหมอยู่ในโลกนี้สอนมาแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาทีนี้จะเปิดประตูไม่ตายให้เนี่ยอัศจรรย์มากจริงๆนะครับท่านว่าเป็นไปได้ไหมท่านเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแง่แง่อยู่แล้วแต่พระองค์เปิดประตูไม่ตายให้เนี่ยนะโยโสตะวันโตประมุลจันตุสัตถังสัตว์เหล่าใดที่ต้องการฟังจงปล่อยศรัทธามาเถอด นี่ประตูอามาตะนะพระองค์เปิดไว้สําหรับสัตว์เหล่านี้สัตว์เหล่าที่พระองค์พิจารณาเป็นบัวสามเหล่านั้นแหละสัตว์เหล่าใดที่ประสงค์จะฟังต้องการจะฟังโสตะวันโตต้องการจะฟังประมุลจันตุสัตถังจงปล่อยศรัทธามาเถิดความคิดความเห็นทัศนคติอุดมคติทั้งหลายให้ทิ้งไปให้ปล่อยศรัทธามาแล้วจะเข้าใจนะเพราะว่าพระองค์แสดงนี้แสดงด้วยสัพพัญยูฉะนั้น คำสอนจึงมีความครอบคลุมแลวก็เข้าใจง่ายด้วยอุปมาต่างๆสามารถเข้าใจได้เพียงแต่เราอันทัศนคติอุดมคติหรือว่าความรู้ที่ตัวเองว่ารู้เยอะนะ่ยทิ้งไปให้หมดจะสามารถเข้าใจได้คำว่าทิ้งไปให้หมดไม่ใช่หมายว่ามันจะทิ้งได้อย่างเปลือกไม้หรือว่าถังขยะอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเราทิ้งหมายถึงว่าเราวางมันเอาไว้ไม่ให้ความสาคัญกับมันนะความ ทัศนคติอุดมกติมันก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมแหละเราก็จำได้มันได้เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ไม่ให้ความสําคัญกับมันเพราะว่าถ้ามันดีจริงเราคงบรรลุไปแล้วเราคงพ้นทุกไปแล้วแต่บางคนเขาบอกเขาดีเหลือเกินดีเหลือเกินแต่ว่าเขาก็ยังทุกอยู่ยังเถียงกับภรรยาอยู่ยังเข้ากับภรรยาไม่ได้เข้ากับลูกก็ไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าเขาดีเหลือเกินอันนี้มันไม่ได้เรื่องนะความสัมพันธ์กับตัวเองก็ไม่ได้เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ไม่ได้เรื่องไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจความจริง เนะีเขาไปสอนโอ้คุณต้องสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้อย่างนี้เขาสัมพันธ์กับภรรยาเขาในบ้านยังไม่ได้เรื่อกเลยดันไปสอนคนอื่นแล้วเขกว่าเขาเก่งด้วยนะเขาก็สอนกันอย่างนี้ก็ เ, เป็นกันซะอย่างนี้วนเวียนไปวนเวียนมาอยู่อย่างนี้นั่นแหละนะเลยไม่รู้จะเอาอย่างไงกันแนะ่นะีฉะนั้นสัตว์ใดที่ต้องการจะฟังจงปล่อยศรัทธามานะนั้นเราทั้งหลายนะเวลาเรียนธรรมะ สิ่งไหนที่เรารู้มาแล้วรู้ว่าผิดว่าถูกอะไรก็ตามแต่เราก็วางวางเอาไว้บ้างถ้ามันวางยังไม่ได้ก็ค่อยๆมองมันดูหน่อยว่าเอ๊่นี่เรายังยึดอันนี้อยู่ต้องหาวิธีสละมันบ้างละมันบ้างถ้ายังยึดอะไรอยู่ตอนยึดตอนเห็นว่ามันดีได้มามันก็เพลิดเพลินถ้าต้องเสียมันไปมันถูกทํำลายแล้วก็เศร้าเพราะมันนั่นแหละเนี่ยก็คอยดูมันหน่อยจะได้เห็นมันเราคงบังคับกันว่าให้ทิ้งทั้งหมดให้ อย่ายึดอย่างนี้มันคงบังคับไม่ได้แต่ว่าคล้ายๆเตือนกันไว้นะอันนี้ก็เพื่อประโยชน์สำหรับแต่ละคนแต่ละคนเองนะอันนี้เราก็ต้องไปหาวิธีของเราเองแหละทุกของเราเราต้องแก้เอาเองนะครับอปารุตตาเตสังอมตสะสันาราประตูอมตะเราเปิดแล้วแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเยโสตวันโตปรมุนจันตุสัตถัง สัตว์ทั้งหลายเราได้ต้องการจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดวิหิงสาสัญญีปะคุณังนาภาสิงทามังปณีตังมนุษเชสุพรมเมดูก่อนท่านพรมเรามีความสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่แสดงธรรมะที่เราคล่องแคล่วแล้วก็เป็นของปณีในหมู่มนุษย์นตอนแรกนะพระองค์ก็ กล่าวกับพระพรหมว่าแน่ท่านพรหมตอนแรกเราสําคัญว่ามันจะลําบากมันจะเหนื่อยเปล่าเราเลยจริงๆนะธรรมะในพระองค์คล่องแคล่วมากเห็นหมดชัดแจ้งและแสดงแง่มุมไหนก็ได้อุปมาอย่างไงก็แจม่มแจม้งมาก แ, แต่ว่าสําคัญว่าจะลำบากเลยไม่สแสดงตอนนี้อาศัยท่านมาอาราธนาและอาศัยกรุณาในหมู่สัตว์ก็จะเปิดประตูอมตะให้ คนใดสัตว์ใดที่ต้องการจะฟังก็ให้ปล่อยศรัทธามาอย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็กล่าวคาถารับคำของพระพรหมพอพระพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้ากระทาโอกาสในการแสดงธรรมแล้วรับอาราธนาแล้วท่านก็ไปเลยมาแป๊บเดียวไปเลยมาอาราธนาเสร็จงานและจบงานแล้วไปเลยนะในย่อหน้าสุดท้ายนะครับอ่านพร้อมกัน อาทโขพรา ม, มาสหัมปติกตาวกาโศโขโมหิภควตาธรรมเดศนายาติภควันตังอพิวาเดตวาปนักกินังกัตตวาตัดเถวันตะทายีติลำดับนั้นเท้าสหัมบดีพรมก็คิดว่ากตาวกาโศโขมหิ พระกวะตาธรรมเดสนายะพระผู้มีพระภาคได้กระทาโอกาสแก่เราแล้วเพื่อที่จะแสดงพระธรรมคือท่านรับอาราธนาแล้วท่านกระทาโอกาสแล้วท่านคิดอย่างนี้แล้วก็กราบพระพุทธเจ้าพระกวัรณตังอภิวาดเดตวาถวายอภิวาทคือกราบกราบพระผู้มีพระภาคปณักกินังกะตะวากระทับประทังกระทักสิน คือเดินเวียนขวาตัดเถวันตะระทายิแล้วก็หายตัวไปในที่นั้นนั่นเองหายตัวแวบไปเลยนะตอนมาก็แวบมาตอนไปก็ยึกยักนิดหน่อยคือกราบสัก่อนแล้วก็เวียนขวาสักหน่อยแล้วก็แวบเลยนะนนี้ท่านสหัมบดีพรมนะครับัน้นประสูตรนี้ก็กล่าวถึง ธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็พระองค์มาพิจารณาว่ามันเป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบทะนนิรู้ไม่ได้ด้วยตักกะเป็นของละเอียดอ่อนอันบัณฑิตเท่านั้นจะรู้ได้ส่วนหมูสัตว์นี้รื่นรมอยู่ในอาลัยินดีเพลิดเพลินอยู่ในอะไหมูสัตว์พวกนี้รู้ได้ยากธรรมะประเภท อิทัปญญาตาปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นฝ่ายสังขารทั้งหลายนี่อันหนึ่งกับพระนิพพานนะครับฉะนั้นธรรมะในโลกแล้วก็มีอยู่สองส่วนเท่านี้เองคือฝ่ายสังขารกับฝ่ายวิสังขารมีอยู่เท่าเนี้สังขารมันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือโลกของเรานั่นเองเป็นธรรมะฝ่ายสังขาร น, นะครับ ส่วนฝ่ายที่เหนือสังขารปราศจากสังขารสงบระ ง, งับสังขารทั้งปวงก็คือพลันิพานเราทั้งหลายพากันตกอยู่ในฝ่ายสังขารแล้วไม่เห็นโทษไปหลงเพลิดเพลินยินดีคิดว่าเราได้มาก็เพลิดเพลินยินดีในเมื่อคิดว่าได้มาสักหน่อยมันต้องเสียไปใช่ไหมเสียไปก็เศร้าโศกฉะนั้นเวลาเราได้เราจึงฉลอง ได้ลูกบางคนหนึ่งก็ฉลองเดี๋ยวลูกตายขึ้นมาก็ไม่ฉลองแล้วนะจริงๆถ้าฉลองตอนเกิดก็น่าจะฉลองตอนตายเหมือนกันนะ <c oughs> นะเวลาแต่งงานกันก็อา้าวฉลองแล้วเวลาเลิกกันก็ไม่ฉลองนะแฉ ก, กันอีกลาบากลําบนหน้าดูเหมือนกันจริงๆฉลองตอนแต่งกันก็น่าจะฉลองตอนเลิกกันเหมือนกันนะตอนเลิกกันน่าจะสุขกว่านะ <c oughs> ได้รู้จากมันแล้วเนี่ตอนแต่งกันไม่ค่อยรู้จากมันเท่าไหร่ ตอนเลิกกันเนี่ยได้รู้จากมันแล้วในโลกก็เหมือนกันนะตอนเราติดข้องเราไม่รู้จักมันตอนเลิกกับโลกอ่ะนะโอ้รู้จักมันแล้วเลิกเลยอย่างเนี้ยฉะนั้นตอนที่เลิกกับมันเนี่ยน่าจะฉลองมากกว่าแต่เราคงไม่อย่างนั้นเนอะรู้สึกว่าเราเสียโอ้ยอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆเราหน้าจะฉลองเพราะว่าเราได้รู้จักนิสัยมันแล้วได้รู้จักตัวมันอย่างแท้จริงแล้ว ตอนแรกมันโปรโมชั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราดูจากมันตามความเป็นจริงนะครับนะเหมือนโลกก็เหมือนกันนะตอนเราเพลิดเพลินเราหลงยินดีกับโลกเนี่ยยังไม่น่าฉลองหรอกแต่เราคงฉลองเนาะได้ยินดีอะไรมานะไม่น่าฉลองเลยอย่างเงี้ยนหะลงเพลิดเพลินนะ่ะตอนเลิกกับโลกหรือว่าตอนเราเข้าใจความจริงแล้วทิ้งมันเนี้ยเนี่ยควรฉลองมากกว่าอันนี้เป็น เพราะว่าเราได้เข้าใจความจริงกับมันแล้วนะครับอันนี้นะพระสูตรชื่อว่าพรมายาจนะสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมของเท้าพรมองหนึ่งชื่อว่าเท้าสหัมบดีพรมนะครับซึ่งในตอนแรกพระองค์พิจารณาธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งธรรมะเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็มีอยู่สองส่วนหลัก ฝ่ายสังขารกับฝ่ายวิสังขารฝ่ายสังขารก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ฝ่ายสังขารผู้ที่รู้ฝ่ายสังขารจบแจ่มแจ้งทิ้งสังขารก็เห็นนิพพานเห็นธรรมะที่สงบระ ง, งับจากสังขารทั้งหลายสลัดคืนอุปธิทั้งปวงนี่ก็เป็นธรรมะส่วนที่สอง รธรรมะก็มีอยู่สองส่วนหลักๆเท่านี้เองการมีปัญญาเข้าใจความจริงก็เข้าใจความจริงและเห็นสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับเห็นนั้นนี้มีเท่านี้แหละธรรมะทีนี้หมู่สัตว์ทั้งหลายที่รื่นรมอยู่ในอาลัยยินดีอยู่ในอารัยหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในอาลัยเนี่ยก็เห็นธรรมะเหล่านี้ยากฉะนั้นเวลาพูดถึงว่าธรรมะยากเนี่ยเราต้องพูดให้ถูกประเด็นคําว่าธรรมะยากหมายถึงมันยากสําหรับพวกตาบอดพวก ยังหลงเพลิดเพลินอยู่ในอาไรยยินดีอยู่ในอาไรยแต่ว่ามันเป็นเรื่องแจ่มแจ้งเด็ดขาดสำหรับคนที่เขาไม่หลงเพลิดเพลินอยู่ในอาไรยไม่หมกมุ่นอยู่ในอาไรยและธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะว่าท่านเป็นสัพพัญยูก็คือธรรมะที่ท่านสอนนั้นท่านนำมาบัญญัติมาขยายความมาจำแนกมากระทำให้ตื้นตื้นง่ายๆและด้วยการอุปมาอุปไม้ต่าง ฉันถ้าจะบอกว่าธรรมะยากก็ยากในแง่มุมของเห็นได้ยากสําหรับพวกยังหลงเพลิดเพลินอยู่ในอาลัยยินดีหมกมุ่นอยู่ในอาลัยนะแต่ถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วต้องบอกว่าง่ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านชํานาญท่านเก่งพระพุทธเจ้าเก่งเราต้องชมพระพุทธเจ้าว่าโ อ, โอ้ท่านสอนนี่นะแจ่มแจ้งจริงๆนะไม่ใช่โอ้พระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยมืดตึบนี่ชมหรือว่าด่าท่านกันแน่เนี่ย แต่เราในเรียนธรรมะที่ไรมืดตึบทุกทีใช่ไหมแต่เวลาเขาฟังพระสูตรกันเนี่ยนะเขาก็โอ้แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีดวงตาก็จะมองเห็นทางได้เนี่ยนะมันแจ่มแจ้งขนาดนั้นนะนะครับ ดันั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แลนี้เป็นของที่เราสามารถเข้าใจได้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะก็อย่าไปจัดตนเองเป็นพวกไม่รู้เรื่องนะอันนี้พระองค์แสดงสําหรับพวกรู้เรื่องนะบัวสามเหล่ารู้จักไหมบัวสามเหล่าบัวเหล่าที่หนึ่งก็คือพวกที่จมอยู่ในน้ำแต่น้ำมันเลี้ยงอยู่ยังไม่ตายพวกที่สองก็คือพวกเสมอน้า พวกที่สามก็อยู่เหนือน้ําขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่บานต่นนั้นเองรอเวลาบานพระองค์พิจารณาหมู่สัตว์แล้วพระองค์ก็เปิดประตูอมตะสําหรับสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เหล่านี้นะสาหรับเหล่านี้นะครับแต่เราทั้งหลายบางครั้งพากันผิดพลาดคือว่าไปคิดว่าตัวเองบารมีไม่ถึงตนเองรู้ไม่พอตนเองเป็นดอกบัวเหมือนกันแต่ว่าดอกบัวถูกปลาและเต่ากินไปแล้วคาว่าอย่างนี้ <c oughs> เลยไม่ได้เรื่องอะไรสักทีเลยนะเลยไม่ได้ฝึก ฝ, ฝนตนเองไม่ได้ศึกษาต่อไป <S <s <isse ur> เวลาเรียนไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องก็จบกันไปเลยมาเรียนกับอาจารย์น <c> ี้แล้วไม่รู้เรื่องก็เซ็งชีวิตไปเลยทั้งทั้งที่เรียนกับอาจารย์นี้ไม่รู้เรื่องก็ไปเรียนคนอื่นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรมีทั้งหลายอาจารย์เราก็เลือกไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจเพราะว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเรามาเจอแล้วก็แสดงว่า เราเป็นดอกบัวชนิดที่น้ํามันเลี้ยงอยู่แต่ว่ามันยังไม่ปริมหรือว่ายังไม่โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองมันเลี้ยงเลี้ยงอยู่นะรอวันเวลาตามสมควรตามโอกาสนะครับซึ่งโอกาสหรือว่าความสมควรก็อยู่ที่เราจะสร้างให้ตัวเองหรือเปล่าโอกาสถ้ารออยู่นอนอยู่บ้านโอกาสคงจะมาถึงอยู่หรอกนะ <c oughs> คงไม่มีเราต้องสร้างให้แก่ตัวเองฝึกฝนเอานะครับอย่างนี้นะ ฉะกนั้นเราทั้งหลายก็จะได้รู้เม th an mm ื่อได้ฟังพระสูตรนี้ว่าธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นเป็นประตูอมตะประตูอมตะที่พระองค์เปิดเปิดสำหรับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาอันนี้เราคงท่องได้บ่อยๆแล้วเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยปลงเราคงท่องกันเยอะแล้วท่องเพื่อจะปลงทีนี้เจอพระพุทธเจ้าครับท่านก็เปิดประตูอมาตะให้เลยเปิดประตูไม่ตายเนเปิดท่านก็บอกว่าอาสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาถ้าได้เราพระตถาคตผู้เป็นกัลยาณมิตรก็จะไม่เกิด สัตว์ทั้งหลายมีความแก่เป็นธรรมดา да. ได้ตถาคตผู้เป็นกัลยาณมิตรก็จะไม่แก่สัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาได้ตถาคตผู้เป็นกัลยาณมิตรก็จะไม่ตายสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์วนเวียนไปตามกฎแห่งกรรมเนี่ยน yes ่ากลัวเหลือเกินหมั่นตภายหลายของกฎแห่งกรรมได้เจอเราตถาคตผู <t <t <t <t <t <t <t <t ้เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็จะพ้นจากบ่วง วงจรนี้นี่อาศาัศจรรย์ขนาดนั้นนะประตูอมตะถ้าใครต้องการฟังก็จงปล่อยศรัทธามารับรองเข้าใจได้ <c oughs> โดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยเข้าใจสักทีเพราะว่าไม่ค่อยเชื่อว่า ง, งั้นเถอะนะนะเวลาฟังอาจารย์บางทีอาจารย์จะหลอกเราเปล่าวิยักยิกยักไว้ไหน่อเอาของที่ตัวเองรู้มาทีบ่บซะหน่อ ย, อยเราเรียนอะไรมาเยอะเนี่ยนะมีเราก็มีความรู้ของเราเหมือนกันเนี่ยนะอาจารย์ สอนอย่างนี้โอ้เรามีหลายอาจารย์เนี่ก็เทียบแหลกรานไปหมดนะแต่ว่าถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านะถ้าเราไปอ่านอย่างเงี้ยให้ปล่อยศรัทธาหมายถึงว่าความคิดอุดมคติทัศนคติอะไรที่เราเคยมีอะไรที่เราเคยคิดว่าดีว่าถูกให้ปล่อยออกมาปล่อยไปก่อนนะให้วางเอาไว้ก่อนนะครับไม่ใชใ่เราไปโยนทิ้งหรือว่าให้ไปรังเกียจอะไรมันแต่ให้วางมันเอาไว้แล้วก็ปล่อยศรัทธาคือหมายถึงว่าความมั่นใจในศาสดาออกมานะว่าท่าน เป็นผู้ที่ตรัสรู้จริงเป็นผู้ที่ได้รู้ทั้งโลกนี้โลกหน้าแล้วก็สอนให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ตามมีพระพุทธิจานั้นมีจริงอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อหนึง่งในตอนต้นก็เรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิมีสิข้อนะข้อนี้เป็นข้อที่สิบนะมีการให้ทานนั้นมีผลเป็นต้นนะเคยเรียนไหมแล้วข้อสุดท้ายก็คือการมีความมั่นใจเชื่อมั่นว่า มีสมณะและพราหมณ์ที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆท่านได้รู้โลกนี้และโลกหน้าได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาสอนให้คนอื่นได้รู้ตามจริงๆด้วยให้เราปล่อยศรัทธาตัวนี้ออกมาแล้วก็มาฟังนะครับัน้นการอ่านพระไตรปิฎกที่ถูกต้องก็คือเราเอาความคิดและทัศนคติของเราออกไปให้หมดความรู้ที่เราได้จากอาจารย์นน้นอาจารย์นี้ไม่ต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ของท่านนะ ท่านว่าอย่างไงอาจารย์ว่ายังไงไม่ต้องไปถามต่อแล้วอ่านของพระพุทธเจ้าจบนี้คือจบแล้วก็แค่นั้นพอเข้าใจไม่เข้าใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจก็อ่านใหม่อีกรอบสองรอบสารอบไปเรื่อยๆนะอ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ครูบาอาจารย์หรือว่าคนสอนธรรมะเขาอธิบายก็เพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนถ้าเราเข้าใจแล้วคําอธิบายก็เปล่าประโยชน์ตอนนั้นเองเหมือนผมพูดถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วผมพูดก็ เปล่าประโยชน์หมายถึงว่าปล่อยไปตามลมหรือว่าปล่อยเป็นเรื่องของผมไปไม่ต้องสนใจอย่างนี้เท่านั้นเองอย่างนี้นะครับนี่ให้เราเข้าใจประเด็นของการศึกษาธรรมะนะจะได้เข้าใจได้ถูกต้องว่าแท้ที่จริงท่านให้เข้าใจธรรมะอยู่สองหมวดหลักๆเท่า น, นี้แหละนะก็คืออิทับปัญญาตาปฏิจจสมุปบาทนี่อันที่หนึ่งให้รู้เข้าใจความจริงของมันความจริงของโลก ของที่เราหลงยึดมั well, ่นถือมั่นอยู่เพราะว่าถ้าเราหลงเพลิดเพลินยินดีกับมันหลงเพลิดเพลินยินดีก็ทุกข์อยู่เพลิดเพลินอยู่ก็ทุกข์อยู่ท่องเอาไว้นะเพลิดเพลินกับอะไรบ้างก็ทุกข์กับอันนั้นนั่นแหละเพลิดเพลินกับลูกก็ทุกข์กับลูกเพลิดเพลินกับการงานก็ทุกข์กับการงานจนกว่าเราจะถอนความเพลิดเพลินมันออกมาจึงจะไม่ทุกข์เพราะมัน เพลิดเพลินกับโลกก็ทุกนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับธรรมะฝ่ายทั้งปัญญาตาปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสังขารทั้งหลายที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ฟังธรรมะอีกชนิดหนึ่งคือธรรมะที่เป็นเครื่องสงบระงับสังขารทั้งหลายสลัดคืนอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นตัณหาเป็นวิราคะคือความคลายกำหนัดเป็นนิโรธะคือความอิสระเป็นนิพพานคือธรรมะที่ปราศจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงอย่างนี้ให้ฟังธรรมะกลุ่มเหล่านี้ถ้าฟังธรรมะแบบทางโลกก็ฟังให้เห็นอิทับปัจจตาปฏิจจสมุปบาทฟังเรื่องบุญก็เพื่อให้รู้ว่าบุญมันไม่เที่ยง ทำบุญแล้วได้ไปเป็นเทวดาก็ให้รู้ว่าไปเป็นเทวดานั้นมันไม่เที่ยงมันอันตรายเพราะว่าเทวดาโดยส่วนมากตายแล้วไปอบายไม่ใช่ทำบุญแล้วได้เป็นเทวดาจบไม่ใช่ท่านั้นแบบนั้นมันไม่ถ้าปัพยาตาปฏิจจะสมุขบาทนะฉะนั้นต้องฟังให้ได้ใจความอันนี้นะนะจะสงบก็ได้แต่ว่า ให้ฟังให้ได้ใจความต่อไปอว่าความสงบก็ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงจะฟังเรื่องพรมก็ได้แต่ให้รู้ว่าพรมมันก็เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงตายเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องตายเหมือนกันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงย่งต้องฟังให้ได้อันนี้อิทัพปัจจยาตาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ศึกษาวิธีการที่พระองค์แสดงเอาไว้เพื่อที่จะไม่ตายประตูอมตะที่พระองค์เปิดเอาไว้ก็คืออริยมรรคนั่นเองนะ ประตูอมตะนี่คืออริยมรรคอริยมรรคนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระองค์ก็รับรองเอาไว้แล้วซึ่งท่านก็คงเคยได้ยินหลายๆครั้งนะประตูอมตะ ก, ก็คืออริยมรรคอริยมรรคมีองค์8ปประการเมื่อสมบูรณ์กเกิดขึ้นและเป็นประตูให้รู้แจ้งอริยสัจ ร, รู้แจ้งความจริงซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ ก็มีการฝึกฝนที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้มีวิธีการเทคนิคต่างๆที่พระองค์บอกสอนเอาไว้เพื่อให้ถึงประตูอันนี้นั่นแหละให้มันเกิดประตูอันนี้ขึ้นมาที่เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาไตรสิกขาแล้วก็หลักจริยธรรมทั่วไปที่พระองค์บอกเอาไว้ก็เพื่ออันนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเพื่ออันอื่นมันก็ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเหมือนกันนะเพื่อความดี เพื่อเป็นเทวดาเพื่อความสุขเพื่ออะไรต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงนะเหล่านั้นนะครับในพระสูตรนี้เราก็จะได้ทราบถึงธรรมะหลักก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมะหมวดอื่นๆติดตามมาเมื่อเราได้ธรรมะหลักอันนี้แล้วเราก็จะเข้าใจในแง่มุมของธรรมะหมวดอื่นๆจะได้ไม่งง mm hmm. เช่นพระองค์แสดงเรื่องความจริงให้ฟัง ก็แท้ที่จริงก็แสดงให้เห็นกระบวนการที่เป็นไปในโลกแสดงความจริงเช่นแสดงว่าความโศกย่อมเกิดขึ้นเพราะความรักอันนี้ก็แสดงความจริงให้ฟังเฉยๆแสดงความจริงให้ฟังเฉยๆจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราดังยักอยู่เราก็ต้องเศร้าโศกอยู่มันเป็นกฎธรรมดาทั่วไปอิงอาสัยกันและการเกิดขึ้นไม่ได้สอนให้ไปรังเกียจอะไรไม่ได้สอนให้ไปทำโน่นทานี่อะไรทั้งนั้นแหละน สอนให้เรารู้ความจริงถ้าเราไม่อยากจะโศกเราก็อย่าไปรักอย่าไปชอบอย่าไปเพลิดเพลินกับมันให้ถอนความรักความเพลิดเพลินขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับนะธรรมะหมวดอื่นๆก็เหมือนๆกันเลยนะถ้าเราเข้าใจธรรมะสองหมวดอันนี้แล้วก็จะเข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าธรรมะที่พระองค์สอนประตูอมตะนะจำเอาไว้นะครับที่พระองค์ บอกแกท่านพรมนะในหน้าที่สามอะปารุตตาเตสังอมตัสระดวาราประตูอมตะเราเปิดแล้วแกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเยโสตะวันโตประมุนจันตุสัทธังสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดต้องการจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเนี่ยนะ ประสูตินี้ก็มีเนื้อความเท่านี้นะก็จบแล้วนะครับ